ออกพรรษาเป็นวันปรวรณามหาปรวรณาตรงกับวันที่27ตุลาคมพุทธศักราช2 5 5 8ันช้า้อ้าสถนายสตาญาตโยมก็มาตักบาทแต่ตอนเที่ยงวันนี้คณะสงฆ์ได้มาร่วมกันปรวรณาณนะที่นี้ณนะที่นี่60สกว่ารูปก็ได้ปรวรณา จบลงไปแล้วต่อนนี้ไปหลวงพ่อจะได้กล่าวอะไรในวันปวารณาให้พวกเราท่านทั้งหลายได้รับรู้รับทราบร่วมกันแล้วก็ถึงพกเราจะปะวารณาในวันนี้แต่ก็ต้องรักษาราตีหนึ่งคือไม่ให้ออกนอกวัดในเย็นวันนี้ให้สว่างสะก่อน ถึงวันพุ่งนี้เป็นวันใหม่เราจรึงจะหมดเขตอธิษฐานพนารรษาสามเดือนแต่เมื่อเราประวารณาแล้วก็ก็จริงแต่เราก็ยังรักษาราตรีไว้อยู่ถ้าเราออกนอกวัดวันนี้พรรษาของเราที่รักษามาสามเดือนก็ก็ขาดอ่าพรรษาขาดปรับอบัตรทกกรอีกเพราะว่า เรายัางไม่พ้นเขตพรรษาพระนังคอยให้รับทราบร่วมกันนี้คือพ่ะวินยัยแต่ที่ยังไงในช่วงนี้เป็นช่วงถึงจะออกพรรษาแล้วก็ให้พวกเราทุกๆท่านอยู่ในกฎอยู่ในระเบียบอยู่ในวินยัยเพราะว่าเป็นช่วงเทศกาลออกพรรษาเนี่เป็นช่วงกระถิ่นนะท ต้องในช่วยกันหลายๆอย่างทั้งพ่อนวกะทั้งพระที่อยู่ด้วยกันแต่ถึงยังไงการอยู่ด้วยกันหลวงพ่อเน่เป็นห่วงเป็นห่วงในความพร้อมเพียงสามคีกลัวจะทะเลาะพิวาทกันเพราะพวกเราถึงจะมาอยู่สามเดือนแต่เขาต่างองค์ต่างอยู่แต่ถ้าหากผู้ใดประพฤติปฏิบัติมีคุณธรรมในจิตใจ ผู้นั้นก็ต้องมีขันติคือความอดทนรู้จักว่าอันไหนเป็นอันไหนควรไม่ควรอย่างไรแต่ถ้าหากว่ามีไม่ได้ภาวนามันขันแตกต้องระวังตรงพ่อก็ได้บอกให้พระเก่าเหมือนกันให้ช่วยช่วยกันดูนะถ้าคนไหนองค์ไหนก็ตามที่มาอยู่เนะี่ยอารมณ์ร้อนไม่ควรจะไปทำงานกับหมูนะควรจะแยก หลวงพ่อกขาบอกนะหลวงพ่อถึงจะหลวงพ่อจะไม่ได้ทํางานกับผ้าลกูกผ้าหลานแต่หลวงพ่อก็ได้เป็นห่วงได้สั่งการสั่งงานเอาไว้เหมือนกันเพราะว่าการเป็นอยู่ด้วยการถ้ามันมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นแล้วมันเสียหายทั้งวัดเสียหายมาทั้งมาถึงหลวงพ่อด้วยเพราะนั่นการทําการทํางานของพวกเราให้สํารวมให้ระวัง ให้ทั้งอกตั้งใจทํางานเพื่อเป็นการบูรการกุศลอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นคณะศรัทธาญาติโยมแขกคนเข้ามาสู่วัดก็เห็นเห็นกันอยู่มีหลายระดับผู้เข้ามาที่จะมีการมีงานกระถินปีนี้เป็นถิน่นเป็นกรถิ่นกรณีพิเศษอย่างพวกลูกพาลูกพารานได้เห็นแต่ถึงยังไงก็ตาม เมื่อกระถิ น, นผ่านไปแล้วพวกลูกหลานบางคนก็แต่มีกําหนดกฎเกณฑ์เอาไว้แล้วว่าจะได้ลาสิกขาเพราะหน้าที่การงานบางทีก็ลาการล า, ารงานออกมาบวชอย่างนี้นะ่ะเราก็เมื่อถึงกําหนดกฎเกณฑ์แล้วก็เราก็จะต้องลาสิกขาไปทำทำหน้าที่ของตนเองที่ได้ลาออกมาสามเดือนสี่เดือน ถึงยังไงก็ตามขอให้พวกเราไปอยู่นักสถานที่ใดก็ให้เหมือนกับเกลือรักษาความเค็มไปอยู่ในดวงดาวพระอังคารดวงไหนดวงพระจันทร์พระอังคารก็ตามเกลือก็ยังเค็มอยู่ไม่จืดจางไปอยู่ในประเทศไหนเกลือก็ยังเค็มนี้ก็เหมือนกันพวกเราเมื่อเข้ามาศึกษา ในวัดวาศาสนาศึกษาเรื่องพระพุทธศาสนาแล้วอันไหนผิดอันไหนถูกอันไหนควรไม่ควรอันไหนถูกต้องอันไหนเป็นธรรมที่หลวงพ่อได้แนะนําสั่งสอนพร่ำสอนทุกวี่ทุกวันตอนเช้ า, าแล้วก็เมื่อทําไหว้พระสวดมนต์ก็พยายามแนะนําสั่งสอนอย่างวันอุโ บ, โบสถอย่างนี้แหละหลวงพ่อก็ไม่ได้ลดละในการบอกกล่าวเพื่ออยากจะให้ลูกหลานเป็นคนดี มีคุณภาพมีคุณธรรมมีศีลธรรมมีจริยธรรมที่ดีถ้าหากว่าพวกเรามีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีแล้วไปอยู่นสถานที่ใดใครก็ให้ความเคารพรักนับถือไปอยู่กับพ่อแม่พ่อแม่ก็รักไปอยู่กับปู่ย่าตายายไปอยู่กับเจ้านายท่านใดก็ตามถ้ารู้จักสัมาคารวะรู้จักสูงรู้จักจากต่ำรูจ้จกั ก, จกสิ่งควรไม่ควรใช้สติใช้ปัญญา อยู่นสถานที่ใดใครๆก็รักใครๆของเมตตาเพราะนั้นขอให้พระลูกพระหลานที่จะอยู่นสถานที่ใดผู้ที่ดารงรงศนาก่อพยายามให้อยู่ในกรอบของหลักพระธรรมวิ น, นัยเป็นศากยบุตรเป็นศากยบุตรที่แท้จริงอย่าออกนอกลูก่นอกทางพอเราเป็นลูกของพระพุทธทเจ้าเราต้องดำเนินชีวิตของเราให้ถูกต้องให้เป็นธรรมให้ยึด หลักพระธรรมคำสอนของพุทธะพระพุทธเจ้าหรือเดินตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดำเนินนี่แหละถ้าผู้อยู่ในพุทธศาสนาหรือผู้อยู่ในศาสนาต่อไปก็เป็นผลดีต้องคิดดูให้ดีนะพวกเราท่านทั้งหลายผู้ที่ยังไม่มีภาระทุระภารกิจอะไรต้องเราต้องคิดคานวณทบทวนดูว่าโลกกับอยู่อันไหนถ้าเราออกไปแล้ว มันเป็นยังไงได้อะไรเห็นไหมคนพ่อแม่ปู่ย่าตายายปวงสาคณะญาติของเราญาติโกโหติกายญาติผู้ใหญ่ของเราต่อไปภายภาคหน้าเป็นยังไงการดํารงชีวิตของเขาพออยู่ไปอยู่ไปก็เท่าแก่ชราแต่รู้สึกว่ามีความสุขแต่สมัยน้อยหนุ่มท่านเองไปที่ไหนก็มีความสุขแต่พอเท่าแก่ชลาไปแล้วเป็นยังไง เป็นตัวอย่างให้พวกเราทั้งหลายได้เรารู้ได้เห็นเอาเถอะชีวิตทั้งชีวิตนีเ้เรามองเห็นแล้วมันเป็นอย่างนั้นจะหาความสุขได้ที่ไหนใช่อยู่ต่อไหมอยู่ด้วยกันแต่งานไปแล้วเออมีความสุขอแต่พอเท่าแก่ฉราบมาแล้วนะ่ะมรีรู้เรื่องอะไรตรงไม่อะไรต่างควงกระต่างตุม้ตมๆเตรียมๆผลที้สุดก็ทะเลาะกันแท้เหมือนกันเด็ก แต่นี้เราจะปันเป็นยังไงมีคุณค่าไม่มีประโยชน์ไหมที่ที่เราจะไปลงไปทำอย่างนั้นไปอยู่อย่างนั้นถ้าเราเป็นพระซะเป็นอยู่ในพุทธศาสนาเอาเธอตายคนเดียวอยู่คนเดียวไม่มีอะไรที่จะยุ่งเหยิงวุ่นวายขัดข้องสำหรับเราเราเป็นคนคนเดียวเกิดมาคนเดียวเราจะพยายามทำให้ดีที่สุด เ, ออเราจะไม่ให้ใครเดือดร้อนกับเราสิ่งเหล่านี้ให้พวกเราทบทวนดูกัน ดูชีวิตของเราไม่มีใครที่จะจะทบทวนชีวิตของเรายิ่งได้ดียิ่งกว่าตัวของพวกเราทุกๆท่านเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านนะได้บวชมาในพุทธศาสนาในระยะเวลาสามเดือนพวกเราควรจำคงจะมองเห็นมองเห็นสิ่งดีไม่ดีสิ่งดีสิ่งเลวสิ่งที่มีคุณค่าและไม่มีคุณค่าสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ถ้าว่าพวกเรา มายืนอยู่จุดนี้แล้วก็ยังถลําออกไปเรือกออกไปออกไปอย่างนั้นก็นแสดงว่าทางฝ่ายตามคือกิเลสราคะโทสะโมหะของเรายังดึงดูดไปอยู่เราก็เออเอาสู้กันไปก่อนจนกว่าจะเห็นโทษเมื่อไรก็เมื่อนั้นแหละจึงจะถอยหลังกลับคืนแต่บางทีก็ถอยหลังไม่ได้มันถอยกลับไม่ได้มันไปถล่าไปลึก จนเกินกว่าที่จะถอยก็มีเหมือนกับรถเนี่ยถ้ามันไหลลงไปคลองไปลุนในฝัง่งห้วยฝั่งน้องละ่ะต้องเดือดรื้ อ, อ, อต้องเดือือขึ้นมาเมื่อจึงจะถอยหลังได้อแต่จะถอยหลังขึ้นมาแล้วไม่มีทางมีแต่ออกเป็นชิ้นส่วนขึ้นมาท่านเองนี่ก็เหมือนกันพวกเราท่านทั้งหลายเมื่อถล่มลงไปแล้วบางโกลนก็นู่นจนไปเผาผีจีกระดูกกันนั่นแหละแต่ถึงยังไงก็จะทํำยังไงได้ไมื่ถึง ถึงจุดนั้นคลาวนั้นแล้วแต่ที่ยังไงขอขอฝากไว้กับพวกเราทุกทท่านนะผู้ดํารงทรงศาสนาต้องใช้จิตต้องใช้ปัญญาใช้ความรอบคอบทุกอย่างดําเนินชีวิตของเราไม่มีใครที่จะรักชีวิตของเรายิ่งกว่าตัวของพวกเราทุกๆท่านชีวิตของเราเรานั่นแหละรักที่สุดไม่มีใครที่จะรักยิ่งชีวิตริ่งยิ่งกว่าตัวของเราเองเพราะนั้น การจะดำเนินชีวิตของพวกเราแต่ละก้าวเดินแต่ละเดือนแต่ละปีจนถึงชีวิตจะหาไม่เป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องได้บวกลบคูณหารว่าได้กำไรหรือขาดทุนอย่างไรอย่างไรในชีวิตของพวกเราพระนขอให้พวกเรา ท, ทุกท่านนะในบวชมาในพุทธศาสนาศาสนาเหตุผลศาสนาของพุทธาให้ใช้ให้พิจารณาด้วยหลักด้วยเหตุด้วยผล กลั่นกรองด้วยดีจากนั้นก็เมื่อกั่นกรองดีแล้วแล้วก็นํามาไม่ใช่กั่นกรองครั้งเดียวนะกั่นกรองแล้วกั่นกรองอีกอย่างเราพิจารณาพิจารณาร่างกายของเราก็เหมือนกันพิจารณาเกสาผมจนถึงปลายเท้าพิจารณากระดูกเราต้องพิจารณาเคลียร์แล้วเคลียร์เอกขาดแล้วขาดอีกพิจารณาแล้วพิจารณาอีกหลายครั้งต่อหลายหน จนมั่นใจไม่ใช่ว่าครั้งเดียวนะเพราะฉะนั้นการทับทบทวนชีวิตของพว ก, พวกเราก็คงจะอย่างนั้นเหมือนกันนะเราต้องทบทวนดูว่าเราจะเดินชีวิตของเราไปได้อย่างไรทำอย่างไรแต่ถึงยังไงก็ตามเมื่อพวกเราออกไปเน่ยเป็นฆรวาสญาติโยมก็ขอให้เป็นคนดีท่านเองนะสิถ้าเป็นคนไม่ดีก็นะอยู่ในคุกอยู่ในตาราง รู้หรือว่าอยู่ที่สิ่งที่ไม่พึงปรารถนาอันนั้นไม่ดีนะพระลูกพระลานเมื่อเราเป็นฆราวาสก็เป็นฆรวาสที่ดีมีสัมมาฆราวะรู้จักพระคุณของพ่อของแม่พ่อแม่เลี้ยงดูเรามาเลี้ยงดูเพื่ออะไรหลวงพ่อก็ยังบอกกล่าวให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ทราบเกือบหลายครั้งพ่อแม่ได้ลูกมาอยากจะได้ลูกมาเพื่ออะไรเพื่อต่อไป เมื่อเราเท่าแก่ชลาลูกของเราจะได้เลี้ยงดูเราจะได้ทำกิจธุระของเราจะดำรงวงสกุลของเร า, เ, ราเขาค ง, งจะประพฤติตนเป็นคนดีแล้วจะได้รับทายาทสืบทอดมรดกที่เราแ ส, สวงหาด้วยความยากลำบากเขาก็จะได้ดูแลรักษาทรัพย์สมบัติของเราเมื่อเราล่วงลับไปเมื่อเราตายไปลูกของเรา ก็จะได้ทําบุญอุทิศสวนกุศลให้เราด้วยเพราะเป็นาญายาทของเรานี่แหละอันนี้ก็คือที่พวกเราจะต้องคํานวณคิดถึงพักุลของท่านไม่ใช่ว่าทําอะไรทําตามอัททาใจทําตามอํเาเภอใจไม่ได้นะอ อ, ออกไปแล้วทําตามอํเาเภอใจทำทำท ำ, ทำตามมัททาใจตัวเองอยากจะทําอะไรก็ทําทไม่น่าจะถูกนะแต่เมื่อพ่อแม่ เมื่อเราเป็นพ่อเป็นแม่เขาเมื่อเราเป็นได้ลูกมาเนีเราทําตัวอย่างที่เราทําเดี๋ยวนี้เนีเราจะเป็นที่พอใจไหมให้ถามตัวเองอย่างนั้นเสมอจึงจะไม่ลืมตัวอย่างผมก็เหมือนการหลวงพ่อก็เหมือนกันอยู่กับครูบาอาจารย์อยู่กับหลวงปู่ล่าก็ตามอยู่หลวงหลวงตามหาปัวก็ตามเราต้องดูตัวเองอยู่เสมอว่าถ้าเราเป็นครูบาอาจารย์ถ้าเราทําตนไม่ดี เอ่ยอย่างลูกศิษย์อย่างเราเนี่ยเราจะเป็นที่พอใจไหมเออไม่พอใจเออถ้าไม่พอใจเราไม่ควรจะทําไงนะีอันนี้แหละเราก็ต้องมันขยันให้เป็นลูกที่ดีเป็นลูกศิษย์ที่ดีเอ่อของครูบาอาจารย์แล้วก็เป็นถ้าเมื่อเป็นลูกของพ่อแม่ก็เป็นลูกเป็นลูกพ่ออ่าเป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่มันจึงจะถูกนะพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะพวกเราเกิดมาไม่ใช่ใหญ่พระโอษพระราษทีเดียวนะ เกิดมาจากพ่อจากแม่จากครูจากอาจารย์เพราะนั้นเราอยู่นัสถานที่ใดให้รู้จักพักคุณคนที่รู้จักพักคุน่ะตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหมอยู่นักสถานที่ใดใครก็รักถึงจะพัดภกักตกทุกข์ได้ยากไปเทวดาก็ยังช่วยเหลือเพราะอไรเพราะเป็นคนดีนะคนดีจะต้องช่วยคนดีนะความดีจะต้องช่วยความดีจะต้องช่วยตนเองได้ถ้าเรามีบุญนะ ก็เลยขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะบวชมาในพุทธศาสนาหลวงพ่อเองก็ไม่ได้หนักใจดอกพวกลูกหลานเข้ามาบวชหลวงพ่อมีหน้าที่แนะนําสั่งสอนกับสั่งสอนบางทีบางครั้งก็ดุด่าว่ากล่าวบ้างขู่บ้างเพื่ออยากจะให้ลูกหลานเป็นคนดีเท่านเองเอไม่ได้จะให้ไม่ให้ลูกหลานาจิบหายวายปวงไม่ใช่อย่างนั้น อ, อยากจะให้ลูกหลานเป็นคนดี ไปอยู่ราฐสถานที่ใดอยู่กับพ่อกับแม่เป็นคนดีอยู่กับวงศาคนาญาติก็เป็นคนดีเป็นขาราชการระดับไหนก็เป็นคนเป็นขาราชการดีทุกระดับนะถ้าเป็นคนดีแล้วหลวงพ่อพอใจเพียงแค่นั้นละ่ะตรงพ่อพอใจในการแนะนําสั่งสอนของหลวงพ่อเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านนะวันนี้เป็นวันออกพรรษาต่อ น, นี้ไปก็คงจะหาพูด คงจะหาเวลาพูดกันได้ยากเหมือนกันนะต่อไปกนะ็มีแต่ยุ่งเรื่องยุ่งเหยิงพุนวายเกี่ยวกับการกับงานบทในสุกดุงจะถึงวันจุดจบจุดจ บ, จดจบคือวันลาศกขาเป็นบางเป็นบางองค์พราจะต้องไปทําการทํางานนะพอลางานลางานลาการออกมาเราก็อยจะต้องกลับไปตามทำกลับไปทำการทํางานอย่างที่เราได้ขอลาเข้ามา แล้วันนี้เมื่อจบนี่แล้วก็พวกเราก็คงจะกราบไหวพ้พระให้กราบแล้วก็คงจะทําวัดคารวะพุท ธ, ธะนะพุท ธ, ธปฏิมาพุเทธเธธรรมเอสังเคปะมาเดนะเราจะว่ารัตนัตไเยนะรัตนัตคือพระรันตนนตรตยคือรันตนนตไตราสามพระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์ รัตนัตเยประมาเดนะดวาวรัตรเยนะขต่างสัพังอปราทางคามะทะเมมัถุโนพันเตและก็มหาเถเรประมาเทนะแล้วก็เถเรประมาเทนะอาจารย์เยประมาเดนะดาวรัตเยนะขต่างสัพพังอปราชทางคามทุโนพันเตอันนี้คือเรากระเมื่อเราจู่ด้วยกันอยู่จำพรรษาในวัดแห่งนี้พวกเราได้ประมาทพลาดพังพระพุทธปฏิมา ผัดประมาทผาดพังผัดไรสรณะคมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจอันใดอันหนึ่งขาขอบผัดไรสรณะคมโปรดโอหสิกรรมให้กับข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะได้สํารวมระวังต่อไปมหาเถรก็ตามเถรก็ตามอริเยก็ตามพวกเราได้ประมาทผาดพังขอท่านเหล่านั้นโปรตโอหสิกรรมให้กับข้าพเจ้าด้วยข้าพเจ้าพวกข้าพเจ้าจะได้สํารวมระวังต่อไป จากนั้นก็นั่งปนมมือปนมมือก็อธิษฐานจิตนะด้วยปุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้บําเพ็ญมาตลอดไตรามาสสามเดือนขอให้ข้าพเจ้าดวงตาเห็นธรรมหรืออย่ากได้มีอุปสรรคนานัปการในชีวิตให้ชีวิตของข้าพเจ้าเป็นสัมมาทิฏฐิตลอดไปตอนนี้ไปเราจะหลวงพ่อจะพาวานนาโมกันนะนาโมตัสสะ กวตอรหตมมาสมบุติัตว์นะโมตัสสะภะคะวตอรหตมมาสมุันะ นาตาเยปามาเดนะ คารวะเป็นการในใจของพวกเราแต่ละท่านกระตั้งกิจอธิษฐานในใจของแต่ละท่านนะ A year. ลงพวกท่านทั้งหลายได้ทำกบาบคารวะทำวัดช่วงเทศกาลออกพรรษาพวกเราจะได้แยกย้ายกันทั้งผู้อยู่ผู้ไปจึงได้กบาบคารวะหลวงพ่อหลวงพ่อเองยินดีเอาหัวกรรมให้กับพวกเราท่านทั้งหลายพวกเราท่านทั้งหลายได้ประมาทพลาดพัง <c oughs> หลวงพ่อด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการหลวงพ่อยินดีอโห ส, สิให้กับพวกเราท่านทั้งหลายและก็ขอให้พวกเราท่านทั้งหลายให้สำรวมระวังต่อไปอย่าเป็นผู้เลินเลอ่เอเพลอเลยประมาทไม่รู้จักจบจักสิน้นนั้นแปลว่าจงใจแต่ถ้าว่าประมาทไปแล้วจะได้สำรวมระวังอันนั้นคือเป็นผู้สารวมระวัง แต่ถ้าว่าประมาทไปแล้วก็ยังทำซ้ำซากคิดซ้ำซากอันนั้นแปลว่าประมาทแบบซ้ำซากใช่ไม่ได้ไม่ใช่ปาดเป็นภาละช น, เ ป, นเป็นโมเป็นโมคะเป็นโมคะพิษุโมฆะบุรุษเป็นคนที่ไม่ดีในหลักของพุทธศาสนาพราะขอให้พวกเราทุกทุกท่านนะให้จารวมระวังในเมื่อ เต็มมากับครวะหลวงพ่อยินดีโอโหสิกรรมให้ทุกอย่างขอให้ลูกหลานทั้งหลายน้องนุ่งทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญความสุขความเย็นใจปรารถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ข อ, ขอให้สมหวังดังปรารถนาดวงตาเห็นธรรมในที่สุดอะหังขา ม, ามิตุมเฮหิปิเมขา ม, ามิตับบัง เอวังโฮตุเอวังโฮตุโยจะปุเบปมัชิตวาปัจชาโซนปรมมัตสติโซมังโลกังปพาเสติอพามุตโตวจันทีมาอภิวาธนสีริสณิจังบุษธาปัจจายิโนจัตตารธรรมาวัทานทิอายุวันโนสุขังภาหลัง